อมาไปตั้งแต่เมื่อคืนมาฟุ้งมากค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็เหมือนกับว่าพยายามไปประคองอยู่อะค่ะแต่ว่าสองอาทิตย์ที่ผ่านมาภูภาณนาผูเห็นว่ามันลักษณะของการรู้อะค่ะหลวงพ่อมันไม่เหมือนกันเลยสักวันหนึ่งนะคะต้องอย่างนั้นสิแล้วก็เห็นความเป็นตัวตนเนี่ยมันผุดขึ้นเป็นระยะระยะแต่ว่า มันไม่ได้มาเป็นตัวทงแทงๆอย่างเงี้ยคะ่ะหลวงพ่อบางทีแบบสวดมนต์อยู่ <c oughs> เห็นเป็นเหมือนกับเศษอะไรแบบเหมือนกับมันเศษทีละนิดทีละนิด <c oughs> อย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ารู้ว่าอันเนี้ยคือมันมันสิ่งที่มันเป็นตัวเราที่มันผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยดีนะดีที่เห็น <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับมีความเป็นกลางกับความเป็นกลางมากขึ้นนะคะไม่ได้ดิ้นหลนแสวงหาเหมือนที่ผ่านมาค่ะดี ยังไม่กลางเต็มที่นะยังเหลือไม่เป็นกลางบ้างให้รู้เอานะชมพูภาวนาได้ดีนะช่วงนี้จิตมันมีกําลังขึ้นมาละ <c oughs> ก็อาร์ตกับพี่จิ๊บอะค่ะสอนผู้ทำสมถะแบบง่ายๆบ้างอะคะ่ะแล้วเหมือนกับจิตมันยอมทำํำเพราะว่ามันรู้ว่าเออถ้าทำแล้วมันจะภาวนาได้สบายขึ้นมันก็เลยยอมทําแล้วมันก็เหมือนกับมันมีแรงส่งซึ่งกันและกันอย่างนี้คมันต้องอาศัยกําลังตัวเอง บางคนดูถูกสมถะแต่บางคนก็คลั่งสมถะไม่เอาวิปัสนาเลยบางคนจะเอาแต่วิปัสนาไม่เอาสมถะถ้าเรามีกำลังนะไม่พอกำลังไม่พอต้องทำสมถะนี่ถ้าทาไม่เป็นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าทำได้มันก็ต้องทำมันเหมือนกับที่ผ่านมาจิตมันเหมือนมันปิดกั้นมันมันไม่ยอมทำอะ่ะบางทีก็ต้องบังคับมันเหมือนกัน แจนมหาบัวเคยเล่ามีช่วงหนึ่งจิตท่านมันไม่ยอมทำสมถะท่านก็บังคับให้มันทำเหมือนกันฝืนฝืนฝืนฝืนทำไปดีแล้วชมพูมีแรงขึ้นมาเอามาส่งกันบ้านกาบนมัสการครับมีจิตมีกำลังขึ้นมานิดนึงแล้วครับแล้วก็เห็นว่ามันลอยลอยอยู่นอกตอกโอ้ใช่เลยครับ อันนี้ดีที่เห็นนะเพิ่งเคยเห็นเนี่ยไม่ถึงฐานให้เรารู้เอาว่ามันไม่ถึงฐานไม่ต้องอยากถึงรู้อย่างที่เขาเป็นรู้อย่างเป็นกลางหรือเข้าฐานเองเนี่ยเริ่มไปกดมันละไม่ไปกดมันนะปล่อยปล่อยมันเอามาส่งมาข้างหน้าโอขอบคุณรับใหม่โอแหลส่งกันบ้าน พอเราพยายามเปลี่ยนอารมณ์ครับไม่พยายามคิดเรื่องที่มันทําให้เรามีความทุกข์ครับแต่พอแล้มันกลับมาพบมันก็จะไปเข้าที่เดิมครับแล้วมันก็ครับพยายามรู้ร่างกายเราไว้เห็นร่างกายมันกระดุกกระดิกยืนเดินนั่งนอนเลยนะดีกว่าหนีไปที่อื่นครับอย่างจิตเป็นไปคิดเรื่องนี้ไม่สบายใจนะถ้าจะหลบมันก็มารู้ร่างกายไว้ ดูร่างกายไว้ดีกว่าใช่ไหมครับดีกว่าไปเปลี่ยนไปคิดเรื่องอื่นเออเนะี่มันก็หนีไปคิดอีกแหละเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านไปคอรู้ร่างกายไปเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปนะพอเห็นสักพักหนึ่งจิตใจเราสบายขึ้นมาเรารู้ว่าใจเราสบายเนี่ยเรากลับมาดูจิตได้ละบางทีก็ไปคิดช่วยมันหน่อยนะครับว่ามันห้ามไม่ได้อะไรแบบนี้เอออย่างนั้นได้เป็นอูบายแต่มันก็ได้แป๊บเดียวครับออมันไม่เชื่อเราหรอกรอย่ามารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกเลย แต่อย่าเพ่งนะอย่าไปเพ่งร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวให้รู้สึกนะแล้วก็สักพักหนึ่งพอเรามารู้สึกแล้วใจเราสบายขึ้นมาเรารู้ว่าสบายเรากลับมาดูจิตได้แล้วอ่ะเอี่ยงส่งกันบ้านคือเอี่งว่าเอี่ยงกลัวหลวงพ่อนะคะ ว, นนวันนี้กับเมื่อวานต่างกันไงวันนี้สบายใจกว่ากนะับถูกใช้ได้ แม่หลวงพ่อพยายามตรวจการบ้านแบบหาคะแนนให้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวค่อยหักทีหลังเ <c oughs> อาว่าไปมันเหมือนว่าช่วงหลังๆมาเอี่ยงเห็นว่าอี่ยงยึดทุกอย่างที่ขวางลขวางตัวไว้หมดเลยฮะแล้วถึงถึงเข้าใจที่หลวงพ่อเคยสอนบอกว่าเรายึดเราก็มันก็ถือเป็นทุกข์แต่พอยึดแม้กระทั่งว่าเราอยากจะช่วยคนอื่นเนี่ยคือตอนแรกเอียงไม่เข้าใจเลยจริงๆค่ะหลวงพ่อว่า ทำไมเนี่ยยิ่งอยากช่วยคนอื่นแล้วมันถึงทุกข์ได้ขนาดนี้ทุกข์จกนกระทั่งมีวามรู้สึกว่าเราเราเกิดมาเพื่ออะไรเนี่ยอืเราตายไปเลยดีไหมแล้วค่อยมาเกิดใหม่นั่นแหละตายไปตอนนั้นก็ตกนรกเลยถึงวันนึเอยิ่งถึงแบบพอทุกข์ถึงสุดขีดแล้วยิ่งถึงนึกถึงที่หลวงพ่อเคยสอนนะคะว่ามีตัณหามันก็มีทุกข์แล้วตัณหาตัวนี้มันก็คือยึดเท่านั้นแต่ตอนนี้ยิ่งยอมรับในหลวงพ่อว่า มันก็เข้าหลูบเดิมคือมันก็ยึดเหมือนเดิมมันรู้ทันแล้วมันเดี๋ยวไม่ยึดแรงเนิ้วว่ามันก็ยึดแรงเหมือนเดิมนะฮะไมเกรนขึ้นมาสามสี่รอบแล้วฮะช่วงเดือนเนี้ยไม่เป็นไร <laughs> กรรมของเราอ่ะ you what, you what? อยู่วัดอยู่วัดก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับช่วงที่ไม่สบายพอดีก็พยายามรู้ลงหายใจแล้วก็พออย่างตอนนั่งตอนเดินก็จะมีฝุ่งไป ครรู้ทันความรู้สึกไปเรื่อยๆนะความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งมันก็รู้เรื่อยๆนะไปส่งไปรู้สึกว่าหลงมากทั้งวันเลยครับแล้วก็ฟุ้งด้วยครับก็แต่ ว, ว, ว่าเมื่อวานนี้ตอนที่นั่งฟังหลวงพ่อมีความรู้สึกว่ารู้สึกตัวเป็นบางครั้งก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจว่ารู้สึกตัวถูกหรือเปล่าครับ ก็ยังรู้ว่าสงสัยอยู่แต่รู้ไปนะรู้ลงปัจจุบันแล้วไม่ผิดหรอกอ้าหมอท็อปทำไมคนอยู่วัดเยอะจังวันนี้อะก็ตอนนี้ดีกว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้ากดแรงกว่านี้ครับอันนี้ก็มีกดแล้วก็มีโมหะเบาๆก็ช่วงสองสัปดาห์มอรู้สึกไหมหมอวางฟอร์มครับใ <laughs> <laughs> นช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สังเกตว่าตอนประชุมฮะมันจะมี อัตาตัวใหญ่ตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็ ก, ลกอยู่ตลอดเวลาอคอยรู้ทันอย่างนั้นดีล ะ, ะมันทำให้เราทุกข์นะอย่างเรายึดในความคิดความเห็นของเราแล้วคนอื่นเขาไม่เห็นด้วยเราทุกข์นะเราคอยรู้ทันเอาก็เมื่อวานนี้ครับนั่งอยู่ก็มันรู้สึกตัวขึ้นมามันก็เห็นว่าตัวที่นั่งอยู่เนี่ยมันหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ทุกข์คือมันไม่เคยเห็นสภาวะที่แบบเป็นทุกข์อย่างนี้มาก่อนฮะแล้วก็ หลังจากมันก็ปรุงแต่งไอ้คาสอนของพ่อครับ <Yeah. S 1> ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแหมมันก็เข้าไปไปหลูบเดิมคือเดี๋ยวก็คิดแล้วก็กลับมาทุกข์อีก mm hmm. คิดแล้วก็กลับมาทุกข์อีกอ่ะแต้วยกมือเมื่อกี้เกาค่ะอะไรนะม <c oughs> พอดีเมื่อกี้ไม่ได้ยกมือคะอ่ะยกมือ <c oughs> ขึ้นปัดแมงวันอ๋อมาปัดแมงวันนื <c oughs> อ้อยกมือเ <c oughs> อวาวาดไปก็ <c oughs> <c oughs> ช่วงที่ผ่านมามันก็ยังมีความทุกข์ที่เข้าม า, าปรุงแต่งในความคิดอยู่ค่ะแต่มันก็ก็ดูไปทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้างก็ยังขึ้นขึ้ น, นลงด้แก่ดูสิมันทุกข์เพราะคิดคะน ะ, ะอย่างเราทุกข์นะถ้าสังเกตให้เดียเรามีชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะความทุกข์มันไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกอย่างเรารู้สึกตัวนะเราก็หายใจไปเห็นร่างกายมันทางานไป เห็นใจมันทํางานนะเราอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ไม่ค่อยมีอะความทุกข์ก็ต้องหลงไปอดีตไปอนาคตอะไรเงยค่ะแล้วพอมันเหมือนพอมันมีสติดีๆแล้วเราก็จะรู้สึกว่าพอเรานึกถึงเรื่องเดิมมันก็ไม่ทุกข์แต่ว่ามันก็ยังกลับพอกลับไปคิดมันก็ยังกลับไปทุกข์ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันยังคิดไม่ตกอ่ะหมอว่าไงหมอวันนี้หมอเยอะมากเลยดอกเตอร์ก็เยอะ ตอนนี้นเรียนถามวเพราว่าตอนนี้ที่มันอึดอัดอยู่ในอกนี่เป็นเพราะว่าทางกายหรือทางใจครับหมอทางใจทางใจไปอัดไว้ครับหมอจงใจไปนิดนึงครับเพราะบางทีบางทีเหมือนแยกไปออกครับว่ามันแน่นเพราะว่าเป็นทางทางกายหรือว่าทางใจถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาเลยหมารู้ลงไปที่ใจอีกทีหนึ่งอีกชั้นหนึ่งเลยตรงที่แน่นเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูแล้วจิตเราเกิดสงสัยว่าเป็นอะไรแน่รู้ตรงจิตนี่รู้สงสัยครับนะ อะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทันที่จิตของเรานี้แหละไม่พลาดหรอกอ่ะต่อไปใครยกมือโนร์เก็ยกก่อนนะครับฝึกกรรมฐานบ้างเปล่าหรือฝึกยกมืออย่างเดียวยกเร็วหรือเกินน้ำสกันขลวงพ่อคือที่ผ่านมาค่ะรู้สึกว่าที่หลวงพ่อบอกให้ดูจิตอะค่ะแต่บางทีมันจะเห็นแบบร่างกายมันขยับเองอะค่ะอย่างเวลาแบบร่างกายแบบอะไรนะร่างกายมันขยับมัน<อ>มันเห็นเองอะค่ะแต่ ดูชักทีๆกเๆมันคิดหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าสมองมันคิดหรือจิตมันเห็นคือะคะพอเราดูถีเกินไปนะจิตเราไม่ตั้งมั่นพอมันก็จะฟุงฟ้งซ่านฟุ้งซ่านเนี่ยเลยเราทาให้เกิดสงสัยใช่ไม่ใช่นะอะไรเงี้ยให้เรารู้ทันไปว่าจิตกำลังฟุ้งซ่านอยู่หลวงพ่อแล้วเวลาคลอเช็ะคค่ะคือดูว่ากิเลสมันเกิดเยอะหรือเปล่าอันนี้คือดูเทียบกันได้ไหมคะอย่างเวลาเราสุดช่วงที่เห็นกายบ่อยใช่ไหมคะเราก็ดูว่าไอ้ช่วงนี้เรามีกิเลสหรือเปล่าอย่างที่หลวงพ่อบอกะคะ่ะ อย่างนี้นี่ถือว่าเป็นการตรวจสอบหลวงพ่อฟังไม่ออกเอาใหม่หมายความว่าหมายความว่าเวลาเราเราเราเห็นอย่างที่บหลวงพ่อบอกว่าเออช่วงนี้มันเห็นเองแต่เวลาหนูหนูก็คิดเอะว่าวิธีในการตรวจสอบว่าไอ้ที่เราดูหรือเห็นมันถูกต้องหรือเปล่าก็โดยการดูว่ามันมีกิเลสหรือเปล่าค่ะแต่ช่วงนี้หนูก็ไม่ค่อยเห็นกิเลสเท่าไหร่ค่ะอย่างขนาะนี้มีกิเลสอะไรล่ะหนูออกไหมว่าอยากอะค่ะอยากรู้มีความอยากมีความฟุ้งซ่านของจิต เห็นไหมมีกิเลสหลายตัวแต่กิเลสพวกนี้มันละเอียดคะนะมันละเอียดเราก็เลยรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่มีกิเลสค่ะความจริงมันมีแต่เราไม่เห็นมันละเอียดนะในตอนนี้จิตหนีไปคิดเห็นไหมจิตหนีไปคิดก็คือจิตเป็นอุทธัจจจิตฟุ้งซ่านมีโมหะนเนี่ยไปอีกละรู้สึกไหมเห <laughs> ็นไหมกิเลสเยอะแยะ <laughs> เห็นไหม <laughs> แอสตันะ แอสตันฟุ้งไปหน่อยเนาะฟุ้งมากครับหลวงพ่อพูดให้กำลังใจแล้วนะคืออย่างเอมื่อเช้าเข้าห้องน้ะครับหลวงพ่อรู้อาศัยว่ามันว่างแป๊บหนึ่งก็นั่งดูไปเนี่ยเออมันต้องอย่างนั้นสิเห็นเลยว่ามันมันเหมือนคลื่นที่มาอยเราเหมือนเราไปอยู่ริมชายฝั่งแล้วคลื่นมันซัดซัดซเข้ามาไม่หยุดเลยครับเออไม่มีหยุดนะครับ ทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นชาติแล้วชาติเล่าซัดอยู่อย่างนั้นนครับคนมองไม่เห็นไม่เบื่อหรอกแต่คนที่มองเห็นนะีจะเบื่อจับจิต จ, จับใจเลยรู้สึกไหมคลื่นของความปรุงแต่งนะทยอยซัด ต, ตลอดเวลาครับบางทีก็แรงกระโชกโผกมากมาใช่ไหมถึงจะบางช่วงชีวิตเราราบเรียบมันก็มีคลื่นพลิ้วพลิว พ, วพิวมาเนี่ยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเลยคหลวงพ่อเมื่อ จริงๆเมื่อวาน อ, อยากมาส่งกันบ้านมากเลย ค, คือช่วงนี้มันมีสภาวะแปล ก, ปลกๆนิดหน่อยตรงที่ว่าคือเมื่อเดือนที่แล้วอะครับผมผมกวาดบ้านอลไอยู่แล้วมันมีแมลงสาบมาไตท่ทีนี้มันตกใจแล้วจิตมันไปรับทันนะครับแล้วไอ้ความความกลัวและความตกใจมันมันดับไปตรงนั้นแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยสังเกตว่า ความสุขมันจะคาอยู่อยู่พักหนึ่งแล้วทุกครั้งที่พอเราเจริญสติได้จิตมันตั้งมั่นขึ้นมานิดนิดหน่อยๆเนี่ยเอจิตมันจะมันจะกว้างไปครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอาการนั้นเนี่ยมันเหมือนว่าจิตมันไปติดความสุขตรงนั้นแล้วมันน้อมไปหาหรือว่ามันเป็นผลจากการติดหรือไม่ติดเนี่ยไม่ใช่ว่ามีหรือไม่มีความสุขไม่ใช่กิเลสนะความสุขเป็นเวทนา เมื่อจิตเราทำบุญทำกุศลมาส่งผลมาเกิดความสุขตัวที่เป็นกิเลสคือราคะที่แทรกในความสุขแอสตันรู้ตัวนี้ต่างหากแั่ไม่ใช่ดูให้ความสุขหายไปเพราะฉะนั้นมีความสุขก็ได้ก็คนมันมีบุญนะ่ช่วยไม่ได้มันมีความสุขพอมีความสุขขึ้นมาแล้วจิตมีราคะให้รู้ทันตัวนีน้ตัวความสุขไม่ใช่ตัวปัญหาหลวงพ่อมีความสุขเยอะไม่เห็นมันหาย อ้าวโบนี่ก็มัวมัวค่ะแล้วก็รู้ไม่ชัดเท่าไหร่อะค่ะเมืม่อคืนนอนแค่สองชั่วโมงค่ะก็เลยสงสัยเป็นเพราะร่างกายด้วยแล้วก็มันกดกดเป็นระยะระยะค่ะใช้ได้ถูกต้องแล้วอ้าวขยยกมืออ้าวนู่นยกมือแมว อย่าสงสัยเลยเอ้าสงสัยอะไรมีข้อสงสัยเล็กน้อยค่ะ<ม>คือที่ เ, เคยกลับไนหลวงพ่อว่าบางทีเห็นสภาวะพร้อมๆกันนะคะเช่นมีสภาวะที่จิตเบิกบานแล้วก็มีอย่างอื่นด้วยจิตมันเค้นตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะ<ม>คือจริงๆแล้วมันเกิดสลับกันใช่ไหมคะมันไม่ได้เกิดพร้อมกันสภาวะธรรมจริงๆนะสภาวะธรรมจนะาวนวนมากเลยเกิดร่วมกันได้สภาวะธรรมบางอย่างไม่เกิดร่วมกัน งั้นในเวลาหนึ่งขณะเนี่ยไม่ใช่มีสภาวะอันเดียวแต่มีสภาวะจํานวนมหาศาลอยู่ด้วยกันเลยหมายถึงมันเกิดพร้อมๆกันใช่ไหมคะเกิดพร้อมกันก็ได้ค่ะแล้ว อ, อันที่เป็นจิตที่มีความรู้สึกเบิกบานอันนี้เรียกว่าจิตผู้รู้หรือเปล่าคะใช่แต่ตัวจิตผู้รู้บางทีก็เบิกบานนะบางทีก็เป็นอุเบกขาค่ะแล้วบางทีในขณะที่จิตผู้รู้เบิกบานอยู่นั้นนะธาตุขันกําลังย่ําแย่อยู่ก็ได้ เกิดอึดอัดทรมานอะไรเงี้ยแต่จิตผู้รู้ก็ยังเบิกบานอยู่ไะมันไม่เกี่ยวกันค่ะแล้วก็ช่วงนี้จิตมันเค้นตัวเองน้อยลงค่ะ<ม>ก็รู้สึกมีความเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันคือไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ดูๆทนๆไปก็แล้วกั น, ออนแล้วมันก็ผ่านนะไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นนะความสุขหรือความทุกข์ก็ชั่วคราวทั้งนั้นแหละเข้าใจตรงนี้นะใจก็เป็นกลางกับโลก เห็นความสุขผ่านมานะก็งั้นงั้นแหละเดี๋ยวก็ไปเห็นความทุกมาแนละ้วก็งั้นๆเดี๋ยวก็ไปทุกอย่างชั่วคราวจิตใจเราใจใจก็เป็นอิสระจากสิ่งเร้าต่างๆที่มากระทบสิ่งทั้งหลายมากระทบนะใจเราก็เป็นกลางเราก็สงบสุขเมื่อเราอยู่ยงั้นค่ะแต่ที่มันเค้นตัวเองมันมันน้อยลงแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ค่ะเออดีที่รู้ทันนะมันเค้นตัวเองเพราะอะไรเพราะมันมีตัณหาโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยจิต ของคนซึ่งไม่ใช่พระอรหันต์นะเค้นตัวเองตลอดเวลาเลยทุกคราวที่ตันหาเกิดขึ้นนะจะเกิดแรงเค้นตลอดงั้นทุกคนนะตกอยู่ในความเครียดเครียดโดยไม่รู้ตัวนะเพราะว่ามันไปเค้นตัวเองเลยคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้นะแต่เราเค้นใจตัวเองค่ะแล้วก็มีตัวมันัอัตตาที่เกิดขึ้นเป็นคราวๆเห็นอยู่ค่ะตัวนี้จําเป็นที่ต้องเห็นนะเพราะเราสอนกรรมฐานาต้องรู้ทัน พวกอาจารย์กรรมฐานนี่เซลล์จัดเยอะอบคุดี<ะ>ดีที่เห็นนะดีอ่ะอเบอร์ห้าสิบสี่อยู่ใกล้ๆเอาก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาทางนี้เออสี่สิบห้ากราบนมัสการหลวงพ่อครับวันนี้พาคุณแม่มากราบหลวงพ่อครับแล้วก็คุณแม่ได้ฟังซีดีหลวงพ่อไปได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็ปฏิบัติ ตามรู้ไปเรื่อยๆอยาขอคำแนะนำของหลวพ่อครับคุณแม่กำลังตื่นเต้นอยู่นะให้รู้ว่าตื่นเต้นนะครับรู้ไหมตื่นเต้นนะไม่ต้องส่งใหม่นะครับเนี่ยส่งหม่ไปเดี๋ยวเครียดเปล่าๆยบมดูออกไห้ใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้ฮะเอาไปให้หน่อยก็ได้ดูออกไหมใจเราวิ่งไปวิ่งมาได้ค่ะ รู้สึกไหมเดี๋ยวใจเราก็สุขเดี๋ยวใจเราก็ทุกข์เดี๋ยวใจเราก็เฉยเฉยใช่ค่ะนะ<อ>ให้เราคอยรู้ไปเองเลยเราจะเห็นเลยทุกอย่างที่ผ่านมาสู่ความรับรู้อของเรานะชั่วคราวทั้งหมดเลย ค, ความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวน ะ, ะยมดูทุกอย่างให้เห็นเป็นความชั่วคราวไปเรื่อยๆแค่นั้นก็พอละเดี๋ยวก็มีความสุขไปเองคนนี้ เอาว่าไปเมื่อักหลวงพ่อค่ะสมกันบ้านรู้สึกไหมตอนนี้ไม่ธรรมดารู้สึกไ้่วางฟอร์มก่อนพูดให้ดูเรียบร้อยดูออกไหมให้ดูนุ่มนวลกว่าความเป็นจริงนะงงไปแล้ว <c oughs> เอาว่าไปก็ช่วงก่อนหน้านี้จะมีรู้สึกไหมเริ่มจัดระเบียบจิตใจให้เรียบร้อยตอนที่ไปคิดเนะี่ยใจก็ค่อยๆนุ่มนวล น, นิ่งๆ่งขึ้นมา ตตตอนนนนี้้ื่เไม่ตื่นเต้นไม่เป็นไรงไงตื่นเต้นแล้วเราไปกดไปไปรวบ<ช>ไปนะอันะนั้นก็คือความปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งนักปฏิบัติเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นเราก็หัดรู้เอาน ะ, ะหลวงพ่อไม่ได้ตําหนิน ะ, ะหลวงพ่อจะหัดให้รู้จักสภาวะได้เยอะๆะต่อไปอะไรเกิดขึ้นในใจเรานิดหน่อยเราก็มองเห็นค่เนะอาว่าไปก็ช่วงก่อนหน้าที่จะมาเขาที่แล้วเนี่ยมันจะ เห็นไม่ชัดแล้วก็หลวงพ่อก็แนะนําไปก็ตอนนี้รู้สึกชัดแล้วก็กระชับกระเฉงขึ้นแล้วก็ดูแลละเอียดขึ้นที่เหลือก็ไม่มีอะไรพิเศษแล้วก็ดูใจดูตาเห็นไหมตอนคุยกับหลวงพ่อตอนนี้แกะตะเกียจิตไม่เหมือนกันนึกออกไหมนึกออกไ้มตะเกียจมันนิ่มมันนุ่มนวลผิดปกตินะเป็นเพราะมันซึมป่ะค่ะไม่ใช่ไม่แกล้งทําเรียบร้อยเนี่ยตัวจริงเราอยู่ตรงนี้ตหากเห็นู่ รู้สึกไหมตอนนี้จิตใจเราเคลื่อนไหวเห็นไหมไอ้ตอนนั้นนิ่งๆไม่ค่อยอากกระดุกกระดิกเมื่อกี้มันตื่นเต้นเยอะเลยไปกดเอาไว้นั่นแหละให้ค่อยรู้เอาคะมันไม่ใช่ตัวจริงของเราค่ะเพราะตัวจริงนะสนนะทุกสนจะทําเป็นเรียบร้อยนี่มาเรียนหลายทีแล้วหลวงพ่อค่อยๆลอกเปือกนะดีแล้วที่ฝึกอยู่ใช้ได้อาบคนนี้เบอร์99อ่ะกุ้งก่อนก็ได้ทั้งผ่าน ก็ยังมีประคองอยู่ค่ะเป็นๆหายๆก็พยายามดูว่าบางครั้งเนี่ยพอเรานึกถึงการปฏิบตัติเขาก็จะรวบเข้าไปออแน่นอยู่ข้างในแน่นแล้วถ้ า, าปฏิบัติชอบทําอย่างนั้นพ อ, อบางทีถ้าไม่ไม่หรือบางทีเราเฉยๆเขาก็เข้าไปแน่นเองตอนนี้ก็จะดูเฉยๆอะค่ะเพราะว่าออถึงให้มันรู้ว่ามันยังไม่เป็นกลางอันนี้นแต่ก็ยังไม่<ร>าหายเราไปกดเอาไว้ไปบังคับไว้นะแล้วก็ค่อยรู้เอา อ่ะเก้าสิบเก้าใช้ได้ ก, กุ้งแต่ ก, กุ้งไม่เป็นธรรมชาตินะรู้สึกไหมตอนนี้อ่ะเก้าสิบเก้าค่ะก็คือช่วงนี้ก็จะเห็นกิเลสที่ว่าเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมาให้เรารู้อค่ะทีนี้ส่วนมากอย่างบางคนเนี่ยค่ะล้ว เ, เจอปุ๊บมันจะเหมือนแบบออโต้จะเหมือนจะโกรธรอหรือไงไม่รู้อค่ะก็เหมือนเพิ่งคิดได้แล้วก็สงสารเขาเหมือนกัน แล้วไงแล้วหลวงพ่อมี อ, อุบายหา <laughs> หลวงพ่อไม่ใช่คนเจ้าเล่ยเพรทุบาย <laughs> เรารู้ส่รู้หลักนะเอาหลักอุบายไม่สำคัญหรอกรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นจิตเป็นไงรู้เป็นงั้น น, น, น, นะรู้ลงไปเรื่อยที่<ต>ทำอยู่นะ่ะก็ใช้ได้แล้วเวลาเจอคนนี้ทุกทีมันช่วยไม่ได้จิตมันเกลียด มันเคยสะสมความเกลียดยายคนนี้มาเนี่ยพอเจอหน้ามันก็เกลียดแค่คิดถึงมันก็เกลียดไม่ต้องทำตัวเป็นคนดีไม่ต้องไปเกลียดเขาอะไรเงี้ยไม่ต้องเกลียดแล้วรู้ว่าเกลียดเห็นไหมจิตมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูมันเกลียดให้ดูล้มันทำงานของมันเองดูงี้ค่ะอ้าวเบอร์สิบห้าเบอร์สิบห้าิบห้ากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะ การบ้านที่หลวงพ่อให้ไปดูตัวโกวตัวกลัวหนูใช้วิธีภาวนารู้สึกไหมตอนเนี้ยเอาตัวปลามมาคุยกับหลวงพ่อเห็นค่ะออมันสํารวมเออมันดัดจริตมันแกล้งทําไม่เอาเอาว่าไปหนูใช้วิธีภาวนาโดยการให้ที่จิตนะคะให้อะไรนะให้ที่จิตให้ยังไงนะให้ที่จิตอนะคะเออทำอยังไง ก็คือมันกลัวก็ให้มันกลัวค่ะเออต้องอย่างนั้นสิแล้วก็ช่วยมันโดยการให้มันดูรูปศพทุกคืนค่ะความกลัวมันก็น้อยลงแต่เห็นเหตุที่มันทําให้กลัวคือตัวปรุงแต่งต่อไปนะมันจะไม่กลัวรูปศพแร้วแต่มันไม่หายกลัวศพหรอกตัวปรุงแต่งอะคะเออต้องรู้ทันตัวปรุงแต่งก็ให้มันปรุงค่ะเรารู้มันไปค่ะให้มันปรุงเรารู้มันไปนะ แล้วก็เห็นตัวเรามันโผล่มาให้เห็นเป็นระยะระยะอ้าอย่างงี้สิถึงจะเก่งหนูก็ใช้วิธีภาวนาให้มันเป็นศพค่ะเฮ้เอาอีกแล้ว <laughs> ทาไมชอบยุ่งกับศพวอดีหนูอ่านหนังสือค่ะ <c oughs> แล้วว่าจิบมันไปปิ๊งค่ะอ๋อรา้นั้นมันสมถะนะไปพิจารณาให้เป็นศพอะแต่ก็หนูก็เห็น <c oughs> มันก็คือลักษณะที่ว่ามองเห็นว่าศพมันที่เรา ให้เป็นนะคะมันเดินได้ออแล้วก็มันจะทำอะไรก็ให้มันทำค่ะเออดูอย่างนั้นก็ได้นะถ้ า, างั้นเห็นนะเห็นศพเนี่ยยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆศพนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกนะดูไปเรื่อยและเห็นมันตายเป็นระยะๆด้วยค่ะ ând, ดีดูไปอย่างนั้นแหะเห็นไมมันไม่ใช่ตัวเราค่ะนะดูไปเรื่อยๆนะเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราถ้าหมดลมตัวเรามันก็หา ย, ยะคะ่ะไม่หมดลมตัวเราก็หายได้ถ้ามีสตินะ ตัวเรานี่เราแต่งขึ้นมาเองก็ไม่เคยคิดว่ามันจะหายค่ะอ่านหนังสือให้น้อยๆลงนะเ้าดูจิตให้เยอะๆะเดี๋ยววันนี้อ่านเรื่องศพมาลืนไปอ่านเรื่องอื่นอีกยุ่งตายเลย <g ill ain> มันเป็นอุบายแต่จะดูล่างกายให้เป็นศพก็ได้ตอนแรกใช้นึกๆเอาว่าเป็นศพนะ <g ill ain> แต่ต่อไปเปลี่ยนเห็นศพนี้ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนดูอย่างนี้ยังพอไปไหว นูอ่านมาจาังนานแล้วแต่ว่ามันมีสัตจจากกับตัวเองว่าคือเดือนหนึ่งจะส่งทีนึงเราก็เลยไม่รู้ว่าเราเข้าใจผิดหรือถูกก็เลยว่าเออกระลองดูดูไปเองก่อนแล้วเดี๋ยวถึงเวลาแล้วค่อยส่งอพยายามรู้สึกตัวไว้นะแล้ว เ, เห็นศพนี้กระดุกกระดิกไปเรื่อยๆอย่าไปดูว่ามันเน่าเปื่อยอะไรเสียเวลาเห็นร่างกายเนี้ยมันก็เหมือนศพนั่นแหละนะร่างกายนี้มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนหายใจออกหายใจเข้ากินอาหารขับถ่ายนะ ดูไปเรื่อยไม่มีตัวเราและดูเป็นธาตุทั้ง4ี่ได้เปล่าคะดูได้แต่อย่าคิดเอาดูแล้วมันรู้สึกเองอย่างบางคนถูสบู่นะอาบน้ําแล้วถูสบู่เงี้ยเสร็จแล้วรู้สึกอุ้ยนี่มันท่อนๆอะไรเงี้ยเห็นเป็นท่อนๆขึ้นมานะนั่นแหละไปเห็นธาตุแล้วแหละแต่ดูดูเป็นลักษณะที่ว่าคือเราอยู่ได้เพราะธาตุทั้ง4ี่่ให้คิดอีกแล้วอ๋อคือคิดมากใหญ่คนนี้เข้าใจแล้วค่ะคือพอไปอ่านมากมันก็เลยน่าอ่านมากเลยคิดมาก ไม่เอานะเอารู้สึกเอาอะส่งมาวุฒิรู้สึกเอานะอย่าคิดมากอย่าอ่านมากดูของเราเยอะๆเมื่อวันเสาร์ที่แล้วหลวงพ่อให้ไปดูตัวกรูเก่งอะไรเงี้ยครับก็เห็นบ้างเป็นช่วงๆแล้วครับแต่เข้าใจว่ายังมีอีกเยอะครับแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าสังเกตดูว่าใจบางทีมันชอบจะไหลลงไปอยู่กับอาการอะไรบางอย่างไปที่เดิมอยู่เรื่อยๆ ม, มันทํางานอย่างเดิมเนี่ย แล้วธรรมดาเราก็พยายามเราก็ติดอยู่กับมันจะพยายามแก้มันอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้จะต้องทํำยังไงครับหลวงพ่อเนี่ยถามจะทําไงคือจะแก้ยังไงอีกแหละก็อยากแก้อีกแล้คือแต่เมื่อกี้ก็เห็นว่าเห็นว่าพอถ้าพอจะแก้มันคือเห็นทั้งหมดแล้วมันก็รู้มันก็เหมือนกับมันมันหลุดออกมาได้หน่อยนึงครับหลวงพอ่อถ้าเห็นทั้งหมดว่าเราจะพยายามแก่หรือเราไปติดอยู่กับมันตรงนี้มันดิ้นขูดขักคูด ข, ขักอเงี้ยเออนะไม่ยอมเป็นกลางรู้อย่างเป็นกลางสิ รู้ว่ากําลังติดอยู่ดูออกไหมจิตมันติดอยู่ตอนเนี้ยครับผมมันติดอยู่ตลอดเลยครับเออรู้สึกไหมไม่ชอบมันมีครับนีไม่ดูที่ใจไม่ชอบครับนะมัวแต่ดูว่าเมื่อไหร่จะหายติดก็ดิ้นคลุกคลักคลุกคลักอยู่างั้นเราไม่เห็นกิเลสที่กําลังปรากฏครับให้รู้ทันกิเลสที่กำลังปรากฏเลยพอพอเห็นเลยว่าใจมันอยากหลุดออกมานะความอยากหลุดหายไปใจไม่ดิ้นพอไม่ดิ้นแล้วหลุดเลยครับผมนะดิ้นคลุกคลักอยู่ไม่หลุดออก แต่สอนเนี่ยไม่ใช่เพื่อให้หลุดนะเข้าใจครับไปดูที่ตัวอยากจะหลุดและตัวไม่พอใจเออใช่ยกมือต่อไปยกมื อ, อสพุพลเดี๋ยวนะวันนี้ช้ากว่าเขาหน่อยกราบหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับคือเมื่อวันพุทธที่แล้วที่ผ่านมานะครับไม่ใช่พุธนี้พุธสัปดาห์ที่แล้วอ่ะครับหลวงพ่อผมนอนไปได้สักไม่น่าจะถึงชั่วโมงอ่ะครับหลวงพ่อแล้วอยู่ จิตมันก็บุบขึ้นมาเองเลยอครับหลวงพอ่อสองครั้งะครับหลวงพ่อเราอันนี้มันเป็นที่จิตมันแอบไปคิดเอาเอง<ม>ใช่ไหมครับจิตมันทําขึ้นมาจิตมันคิดเองใช่ไหมครับครับหลวงพอ่อแล้วถ้าตอนนี้เนี่ยคือลูกสาวชักเริ่มจะถามปัญหาอะไรที่ชักจะตอบไม่ค่อยจะได้แล้วะครับหลวงพอ่อมีเทคนิคสี่พอถามมาแล้วตอบไม่ได้บอกรู้ไว้รู้ไว้ ครับผมก็แคร์นะนี่นครับแล้วบางทีเขาถามให้แบบบรรยายอะไรที่มันค่อนข้างจะชักจะเริ่มเขาเห็นอะไรมากขึ้นแล้วครับรผมชักจะหนาวแล้วครับเพราะจะท่าทางจะสอนไม่ค่อยจะได้นะครับเด็กๆเนี่ยมันซื่อในการรู้นะคผู้ใหญ่ไม่ค่อยซื่อหรอกครับผู้ใหญ่พอรู้อะไรแล้วคิดมากครับเด็กมันรู้ซื่อๆนะเผานา ง, ง่ายครับอ้าวมาลองถามหลวงพ่อสิหลวงพ่อจะหนาวไหม ก็ตอนที่ดูการ์ตูนอยู่ที่บ้านนะคะตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่ามันมันบังคับไม่ได้คือตัวเองมันดูทีวีอยู่แล้วเราไม่สามารถที่จะรู้ใจได้คือเราก็พยายามจะให้มันรู้แต่มันก็รู้ไม่ได้อ๋อมันรู้ไม่ได้ใจเราเนี่ยนะรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอเราไปรู้การ์ตูนนะเราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้พอเราไปรู้โทรทัศน์ เราจะรู้กายรู้ใจตัวเองไม่ได้ใจมันรู้ได้ครั้งละอย่างเดียวเวลาเราไปรู้เรื่องที่คิดสังเกตไหมตอนที่เรารู้เรื่องที่คิดนะเราก็รู้กายรู้ใจไม่ได้นึกออกไหมตรงที่เราไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจตัวนี้นะเรียกว่าขาดสติตอนไหนรู้กายตอนไหนรู้ใจเรียกว่าเรามีสตินะงั้นมีสติบ่อยๆนะคอยรู้กายรู้ใจบ่อยๆไว้แล้วก็ช่วงสับแดตอนเนี้ยเห็นหมหีคิดลืมกายลืมใจนึกออกไหม เป่สัปดาห์นี้มันรู้ตัวได้น้อยมากแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะรู้เองได้โดยอัตโนมัติใช่มันรู้เองอัตโนมัตินะต้องรู้บ่อยๆนะไหนยืนได้ไหนสิให้ผู้ใหญ่เขามองหน้าหน่อยหมุนไปรอบๆแบบนั่งได้ดูจิตมันจะยากอะไรรู้ซื่อๆเนาะ รูไปซื้อเมื่อกี้ใครยกมือคนนี้คนนี้นนนนแล้วก็คนเสื้อสีชมพูการนัฏการพระอาจารย์ครับตื่นเต้นอยู่ครับยังไม่หายทีอยากหายแม่ลองลุกขึ้นแล้วหมุนหนึ่งรอบคือวันนี้ผมมีเรื่องมาถามสองเรื่องคร่บคืออยากจะบอกว่าุวันนี้การปฏริทินของผมนี่เป็นเรื่องสนุกมากๆเลยฮะ คือแบบมันสนุกอ่ะนะแล้วก็บางทีติดขัดอะไรเนี่ยหรือว่าอะไรแล้วแต่นี่นะก็ยังมีเสียงหลวงพ่อดังเข้ามาในหัวอบอกว่าอยากไว้แล้วนะหรือไม่ก็สงสัยรู้ว่าสงสัยเนี่ยสอนดีนะครับจงหรือว่าบางทีจงใจปฏิบัติอ้าจงใจปฏิบัติอยู่นะอืมแล้วมันก็คลายไปเองฮะออแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้ฮะหลวงพ่อทําไมมันคลายได้เองรู้ไม ครับผมเพราะเราไปเห็นสภาวะเขาครับอย่างเรากําลังสงสัยแล้วกําลังมั่วๆอยู่นะได้ยินเสียงหลวงพ่อบอกว่ากําลังสงสัยนะครับเราไปเห็นสภาวะของความสงสัยความสงสัยก็ขาดไปครับผมนะเป็นอยู่ที่เราเห็นสภาวะไม่ได้อยู่ที่เสียงนะอคือปัญหาของผมอยู่ตรงนี้ฮะว่าอตรงที่เสียงหลวงพ่อที่ผมได้ยินเนี่ยมันเกิดจากจิตบงแต่งหรือ ว, ว่ามันเป็นปัญญาฮะจิตมันถ่ายทอดปัญญาขึ้นมาจิตมันสอนตัวเองนะ แต่การที่จิตจะสอนตัวเองเนี่ยมันสอนโดยสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาบางทีก็เป็นเสียงตัวเองก็ได้นะบางทีเป็นเสียงคนอื่นก็ได้บางทีมีภาพประกอบด้วยเอาแน่ไม่ได้หรออีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องตะภาวะแต่ผมต้องเรียนถามหลวงพ่อก่อนว่าผมควจะจะเล่าไหมฮะเอาลองเล่าอยาวๆนะครับผมถ้ายาวเดี๋ยวคนอื่นบ้อมเหรอก็เป็นเกิดขึ้นหลายเดือนก่อนนะฮะตอนผมไม่สนใจอะไรเกิดขึ้นที่วัด ตอนนั้นผมก็นั่งฟังพระท่านเทศไปเนี่ยผมก็หลับตาแล้วก็รับรู้ลมหายใจแล้วก็รับรู้สิ่งรอบข้างเป็นวิปัสสนาไปสัก mm hmm. พักหนึ่งฮะรู้สึกว่ามันทุกอย่างมันวูบดุ mm hmm. สบายฮะ mm hmm. ตอนแรกผมก็สงสัยสักพักนึงมันก็มันก็นิ่ง mm hmm. แล้วก็สว่างว่างขึ้นมาเพราะสว uh ่า huh. งว่านี่ผมก็ตกใจผมก็ไม่เอาเอา้าทำไ ม, มไม่เอาอ่ะเพราะว่าเพราะว่าผมกลัวจะไปเจอเทวดานางฟ้า <laughs> ผมไม่เอาไง uh huh. แล้วก็แล้วเราจะลืมตาขึ้นตอนพอจะริืมตารู้สึกว่าตัวเราไม่มีฮะอ่าอันนั้นมันเป็นสมถะนะครับผมอย่างตอนที่เรานั่งฟังไปเรานั่งดูดูไปจิตมันรวมลงไปอ๋อจิตมันรวมไปร่างกายหายไปดีโอเคครับขอบคุณมากครับอ่ะคุณสีชมพูนะนะเรามาข้างหน้าแล้วมาทางนี้นักประสารครับก็อาทิตย์ที่แล้วนี่มามาบอกหลวงพ่อว่าฟังซีดีหลวงพ่อระอุดอัด ตอนนี้จะมาบอกว่าฟังแล้วไม่ อ, อึดอัดแต่แไม่เที่ยงนะครับแต่ว่าก็ดูจิตไปแต่ว่าถ้าบางทีมันก็อยากฟังนะครับฟังได้ก็ฟังแต่ถ้าฟังไม่ได้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยตอนที่ผมจะนั่งสมาธิเนี่ยผมจะเปิดเทปหลวงพ่อด้วยตอนนี้คือต้องปิดเออดีแล้วเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเปิดเนี่ยมันจะเหมือนกับตอนที่ผมเปิดเปิดฟังก็คือได้ยิน รับรู้อารมณ์บ้างเป็นบางครั้งบางคราวบางทีก็ไม่เห็นแต่ถ้าเกิดปิดเลยเนี่ยจะเห็นชัดจะรู้ว่าโอ้มันวิ่งไปวิ่งมาได้นั่นแหละเราฟังเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติครับเราปฏิบัติเป็นแล้วเราก็ดูของจริงไปนั่งฟังเสียเวลาับธรรมะถ่ายทอดไม่ได้ด้วยการฟังนะธรรมะที่ฟังเอาคิดเอาอ่านเอาใช้ไม่ได้ก็หลวงพ่อบอกว่าอย่างนั้นก็เลยบอกว่าเออเราไม่ฟังจะดีกว่าแล้วถ้าตอนทํางานเนี่ยก็คือ มันมันเผลออยู่แล้วเพราะว่ามันคิดไปกับเรื่องงานแต่ถ้าเกิดมีเวลาเนี่ยผมก็จะกำหนดลมหายใจเป็นวิหารธรรมนะครับเป็นแบกเกาเหมือนที่หลวงนพะ่อบอกก็ไม่แน่ใจว่ากำหนดถูกไหมนะครับก็จะกำหนดไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าภาษาแรงๆเนี่ยรู้แต่บางทีมันไม่เห็นอะไรเลยหลวงพอ่อบางทีมองไปแล้วเอ๊ะทำไมเรารู้สึกนิ่งๆติดเพลงไปหรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าให ให้กำหนดลมหายใจพอกำหนดลมหายใจแต่มันสบาย ม, มันอยู่สบายแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นอะไรรู้สึกว่าสบายไหมรู้สึกครับชอบไหมชอบครับนั่นแหละมีตั้งหลายตัวให้ดูหมดแต่ไปดูว่างๆไงนะดูเข้ามาให้ที่ใจเราเนี่ใจเรามีความสุขความสบายเกิดขึ้นเรารู้มีความพอใจในความสุขความสบายตัวนี้คือราคะเกิดขึ้นเราก็รู้เหแต่อยไปดูว่างๆรับดูใจเรา แล้วก็ถ้าเป็นเมื่อเช้าเนี่ยเผลอว่าผมดูฟุตบอลนะครับหลังจากดูฟุตบอลเสร็จเนี่ยมันนอนไม่ได้ต่อมันประมาณสักตีสีก่กว่ากมันนอนไม่ได้ก็เลยลองลุกขึ้นมานั่งสมาธิดูว่ามันมันไม่หลับใช่ไหมมันไม่หลับก็ไม่หลับนั่งสมาธิดูอพอพอกำหนดลมหายใจเป็นแบ็คกราวน์ครนี้เห็นมันเหมือนกับเราโดนภาษาใหม่เมื่อกี้เห็นชัดครับมันวิ่งกับทุกเรื่องที่เรามันไปได้ทุกเรื่องนั่นแหละเราดูบอลมากจิตมันเลยฟุง้งซ่าน มันวิ่งตามลูกบอลมานานครับแต่เห็นชัดดีครับหลวงพ่อครั บ, รบก็คงส่งมาข้างหน้านะเราต้องมีอะไรต้องปฏิบัติไปพักให้มากกว่านี้นะคพักน้อยเกินไปภาวนาไม่ไหวนี่ข้างนี้คนนี้คนนี้ก่อนนะกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะคือตอนนี้มันไม่ค่อยตั้งมานะคะ ไม่ตั้งมันก็ช่างมันไปกดมันไว้ใช่ค่ะไปกดแล้วเหมือนจะไม่ค่อยเห็นตรงกดเนี้ยค่ะรู้สึกไหมมันทื่อๆนิ่งๆมันไม่เป็นธรรมชาติก็ก็คือรู้แค่ตรงนี้พอใช่ไหมครับเราแค่นี้แหละนะสังเกตไหมมันไม่ใช่กดอย่างเดียวนะใจมันหงุดหงิดด้วยใช่ไหมให้รู้ว่าหงุดหงิดนะเนี่ยสิ่งที่แอบแฝงในใจเรานะคือกิเลสทั้งหลายเนี่ยเราต้องคอยรู้เอา เรามัวแต่ไปรู้สภาวะทั้งหลายนะบางทีเรากิเลสเกิดแล้วเราล้าเลยเราไม่เห็นนะเช่นคนโน้นบอกไปรู้ว่างๆมีความสุขมีความพอใจเกิดขึ้นไม่เห็นว่าพอใจราคะเกิดนะมของคุณนะมพอมันเป็นนิ่งทื่อๆอยู่มันหงุดหงิดค่ <Okay. S 1> นะเรามัวแต่เห็นว่ามันทื่อๆเราไม่เห็นว่าหงุดหงิด <Okay. S 1> นะมันถ้ากิเลสเกิดขึ้นในใจนะให้รู้ทันลงไปนะ okay. กิเลสมันแฝงเราก็ต้องรู้เอาตราบใดที่กิเลสยังครองหัวใจเราอยู่ในขณะนั้นสติจะไม่เกิดเลยทั้งๆที่นั่งดูอยู่ยงั้นไม่มีสติจริงนะให้รู้เข้าไปให้ถึงกิเลสที่ปฏิบัติอยู่นี้พอถูกทางอยู่ <พอ S 2> ใช่ไหมคะพอใช้ใชได้น ะ, ะไปทางนั้นเดี๋ยวคนนี้ทีหลังคนนั้นแล้วสีชมพูนั้นก่อนอีกอ๋อไม่ใช่ให้ไม่ใช่เลยเอ่ะขอบคุณพระสวรรณหลวงพ่อค่ะ เมื่อกี้ก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นอยากจะพูดกับหลวงพ่อตอนนี้ทั้งอยากทั้งตื่นเต้นเลยค่ะก็จะขอเรียนถามหลวงพ่อค่ะว่าบางครั้งเนี่ยคุยกับคนบางคนแล้วรู้สึกโกรธมันไสแล้วพอมันรู้ขึ้นมาแล้วมันหายไปแล้วความรู้สึกสงสัยมันขึ้นมาทันทีว่าเอ๊ะ ที่มันหายไปเนี่ยเป็นอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าตัวรู้มันมีแล้วหายไปหรือว่าเป็นเพราะว่าเราเคยฝึกในการกดอารมณ์ตัวเองดูง่ายๆนะดูตัวเองถ้าหายไปเพราะกดเนี่ยใจเราจะแข็งๆนิ่งๆทื่อๆถ้ามันหายพระสตินะั้นมันจะโล่งเลยหามไม่ได้ไม่รู้สึกว่ากดนะมันเฉยๆอะฮะอย่างนั้นใช้ได้อยู่ ที่ปฏิบัติมานี่หลวงพ่อให้คำแนะนำต่อได้ไหมคะว่าจะต้องทำยังไง ร, รู้รู้รู้รู้ลงปัจจุบันเลยน ะ, ะที่ฝึอกอยู่ใช้ได้แล้วจิตเริ่มตื่นแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ้าวใครยกมือนู่นเบอร์เก้าสิบกว่าอ่านทางนี้ไปก่อนนี้วันนี้อยู่กลางกลางนี่กราบมาสการหลวงพ่อค่ะครั้งที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านไปบอกว่าให้ไปดูแบบห่างๆดูเล่นๆ น, นะคะ ก็ไปปฏิบัติตามก็รู้ตัวได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าในความรู้สึกก็คือมันยังน้อยไปนะคะ<ม>แล้วก็เผลอยังนานอยู่<ม>ก็เลยไม่แน่ใจว่าที่ทํามันห่างไปหรือเปล่าะคะ่ะเราต้องมีเครื่องอยู่สักันนะอาจจะท่องพุทโธเล่นเล่นก็ได้หรืออะไรก็ได้นะหายใจก็ได้ดูท้องพองยุบอะไรก็ได้แต่รู้เป็นแบ็คกล่าวไว้แล้วจิตใจเราขยับขยื่อนเราค่อยรู้ยกตัวอย่างนะสมมติเราไปสวดมน เราอยู่กับการส่วนมนไปเรื่อยๆเราหังซัมมาอย่างเงี้ยใจเราไหลแวบไปคิดแล้วเราก็รู้ทันสัมพุตโตภักวาใจหนีไปอีกละเราก็รู้ทันฝึกอย่างเงี้ยต่อไปเวลาจิตมันหนีไปเราจะรู้ได้เร็วมันจะไม่หลงนานนะถ้าเราไม่ซ้อมไว้มันจะหลงนานาไปซ้อมบ้างนะไปเบอร์เก้าสิบอะไรข้างหลังนู้นย ก, ยกไว้ยกไว้เกสี่ ก, ก, การนมัสการหลวงพ่อครับอาทิตย์ที่แล้วหลวงพ่อให้การบ้านมาว่าใหญ่อยากหายครับก็กลับไปดูช่วงนี้ก็เวลาเห็นสภาวะอะไรเกิดขึ้นเหมือนกับจิตมันเป็นคนหาอะไรมากบกบอครับมันมันกบของมันเองครับออให้เรารู้ตันมันเท่านั้นแหละแล้วก็สองสามวันที่ผ่านมารู้สึกว่าจะเบื่ออืมเบื่อรู้สึกมันไม่รู้ว่าเบื่ออะไรครับเออได้ แ, แหละดีแล้วแต่ตอนนี้ไม่เบื่อครับวันนี้ไม่เบื่อเหรอหายไปซะแล้วก็จะถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะให้อะไรเพิ่มเติมไหมครับ ดูลูกเดียวเลยนะดูเป็นละนะเรารู้รู้อย่างเป็นกลางไปเรื่อยนะพอรู้ตามความเป็นจริงมันเบื่อพอเบื่อเราก็รู้ว่าเบื่ออีกนะใจก็ไม่เบื่อใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาสักว่ารู้สักไว้เห็นทุกอย่างต่อไปอีกดูไปเรื่อยๆดูจนเห็นว่าไม่มีตัวเราพอมองออกขึ้นยังว่าไม่มีตัวเราหรอไม่แน่ใจว่าเห็นเป็นผักๆครับมันเป็นขณะขณะคมันเห็นเป็นขณะขณะยังไม่สมุดเฉด แสดงว่ายังไม่ได้เป็นพระโสดาบันนะอ้าต่อไปทางนี้ข้างหน้าเลื่อนมาหน่อยผู้หญิ ง, งแล้วค่อยมาทางนี้นะเห็นแค่ยกมือแวแบๆ เ, เบอร์เบอร์หนึ่ ง, งกลาบ น, มนามสการนะคะหนูขอโอกาสถามเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมอยากจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนําวิธีการปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับจริตของหนูนะคะ่ะของคุณก็คิดมากนะดูจิตไปเลย รสึกไหมคิดทั้งวันเลยเออเราช่างคิดนะเราก็ดูอคิดแล้วมันก็ไม่ไปไหนอะค่ะ <laughs> รู้สึกไหมคิดไปเดี๋ยวก็สุขคิดไปเดี๋ยวก็ทุกค่คิดไปเดี๋ยวก็โมโหค่ะเนี่ยคอยรู้ทันจิตไปด้วยเลยมันคิดไปแล้วเดี๋ยวมันก็หลงไปเพลินเลเดี๋ยวมันก็โมโห ข, ขึ้นมาค่ะเนี่ยใจไหลแว บ, บไปแล้วรู้สึกไหมค่ะคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองได้เรื่อยๆไปแต่อย่าไปนั่งจ้องนะอย่าไปนั่งเฝ้าไว้ ให้มันหลงไปก่อนแล้วพั้ยรู้ว่าหลงให้มันโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภให้มันโก <c oughs> นโรธไปก่อนแล้วรู้ว่ากโกรธอย่าไปจ้องไว้อย่างเมื่อกี้อยากพูดรู้สึกไหมค่ะเออมันอยากพูดก่อนแล้วเราก็รู้ว่ามันอยากพูดแล้วอย่างอย่างสมมุติว่าเราไปเจอสภาวะอารมณ์ที่แบบเอ่ออย่างเช่นเราเจอสภาพอารมณ์ที่ไม่พอใจมากๆโกรธมากคือเราจะเอาไม่อยู่อะค่ะอย่างนี้มาเอาไม่อยู่ก็หนีไปก่อนนะอย่างกําลังจะตบแล้วทนไม่ไหวแล้มันก็เดินหนีไปก่อน สู้ไม่ได้ก็หนีนะการนะบ้านที่หลวงพ่อจะให้ให้ไปตั้งเยอะแล้วเอาไปทาให้ทันก็แล้วกันใครรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปไดนะ้แต่อย่าไปจ้องให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วก็ค่อยรู้เอา<ก>แค่นี้ก็ทํเกันหลายปีแล้วขอบพระคุณมากอัเบอร์สิอกลาบนามาสการค่ะรู้สึกประคองแล้วก็แนๆแน่ น, น, นใช้ได้ แล้เหมือนเหมือนจะไปทางเพ่งด no. ้วยค่ะใช่จะทํายังไงให้หายค่ะน่ะใช้ไม่ได้ตัวนี้แหละรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นไหมจิตมันจะไปเพ่งก็มันก็เพ่งของมันเองเพราะมันเคยเพ่งมันจะไปเพ่งจิตมันไหลไปตามความเคยชินเราห้ามมันไม่ได้เราแค่ดูมันไปเรื่อยๆดูมันทํางานไปจนเราเห็นความจริงว่ามันทํางานของมันได้เองมันไม่ใช่ตัวเราหรอก มันมันเป็นมันนานแล้วนะคะเล้วไม่ชอบเนาะให้รู้ทันไปว่าใจไม่ชอบแล้วใช่ไม่ชอบเลยเอแต่ความไม่ชอบเนี่ยไม่คงที่รู้สึกไหมบางทีก็เฉยบางทีก็ไม่เฉยใช่ค่ะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบไปนะอย่างที่หลวงพ่อบอกตะเกยร์ู้สภาวะไปนะแต่ถ้ารู้สภาวะแล้วกิเลสแทรกเข้ามาให้รู้กิเลสอย่างเราใจเราไปติดอย่างนี้เรารู้ว่าติดติดแล้วเราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบเป็นโทสะละ ในขณะนั้นโทสะเกิดสติจะไม่เกิดสติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสค่ะขอบคุณคะ่ะทางด้านนี้เบอร์ห้าสิบเชิญโยมไม่เบื่อเลยมานั่งฟังกันกลังนานๆ น, า น, น, า น, น่าจะกลับบ้านได้แล้วก <c oughs> ับนมันสการหลวงพ่อครับผมมาเป็นครั้งที่สามครับแต่ครั้งนี้จะขอคำแนะนำในการปฏิบัตินะครับยังเพ่งอยู่นะครั บ, ค ร, บครๆออกไป อย่าไปบังคับตัวเองให้เราเรียนรู้ตัวเองไม่ใช่ให้บังคับตัวเองนะรู้สึกไหมเราไปข่มไว้ไปบังคับไวบนะ้ปล่อยซะแล้วก็ให้ใจของเราเหมือนคนธรรมดาที่เขาภาวนาไม่เป็นนะใจของเราให้เหมือนเด็กๆใจของเด็กเนี่ยนะพอได้ของถูกใจก็ดีใจขึ้นมานะถูกผู้ใหญ่ดูก็เสียใจเห็นไหมซื่อๆนะเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยเคลื่อนไวหวไปเหมือนเด็กๆนั่นแนหะ เราอย่าไปบังคับให้มันนิ่งถ้าเราบังคับไว้นะถูกเขาด่าเราก็เฉยถูกเ้าชมเราก็เฉยไม่มีไตรรักให้ดูเลยมันเที่ยงครับเราต้องดูให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงงั้นเราอย่าไปบังคับไว้ปล่อยมันครับค่อยๆดูไปนะครับกดแรงไปนิดนึงครับขอบพระคุณครับแต่ไม่แรงมากนะวันนี้ยังยังดูไม่นานก็หายละอ้าวต่อไปมีไหมอ้าวทางนี้ทางนี้บ้างนั่งเก้าอี้มีสองท่าน อย่าถามยากนักนะทศ ก, การครับหลวงพ่อครับผมเพิ่งมากับหลวงพอ่อมาขอธรรมะหลวงพ่อครับธรรมะของพระพุทธเจ้าเนาะเพระพเาะฉะนั้นเราศึกษาว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระพุทธเจ้าสอนบอกให้เรารู้ทุกสิ่งที่เรียกว่าทุก์คือกายกับใจเมื่อเราคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจบ่อยๆนะอย่าลืมมันนะคอยรู้สึกกายรู้สึกใจบ่อยๆ เดี๋ยวมันพัฒนาเองแหละถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งมันก็ละสมุทัยเองมันเกิดนิโรธคือเป็นนิพพานเองทำใจสบายๆรู้ไปสบายๆของโยมอย่าไปน้อมให้มันนิ่งๆลงไปนะอย่าไปน้อมใจให้นิ่งยามถอยขึ้นมาถอยจิตขึ้นมาถอยจิตออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ลืมตาขึ้นนะลืมตาขึ้นลืมตาขึ้นมาแล้วรู้สึกตัวไว้นะอย่าไปนั่งอย่างนี้นะ นั่งแล้วใจมันรวมลงไปมันจะซึมซึมเสียเวลาหลายปีนะเสียเวลานานพยายามรู้สึกลืมตาขึ้นมาโนะยมสังเกตพระพุทธรูปพระพุทธรูปนะลืมตาทุกองค์เลยกระทั่งพระนอนนั่นเลืมตาหมายถึงเป็นสัญลักษณ์พนะระพุทธรูปลืมตาหมายถึงท่านรู้สึกตัวนะให้ค่อยรู้สึกตัวไว้เราอย่าให้ขาดสติอย่าให้ลืมตัวนะของโยมทําสมถะ ม, มามากนะ ฉันยมพยายามรู้สึกตัวไว้ให้เยอะๆอะส่งไปข้างหลังไปอาบหลวงพ่อเจ้าค่ะเออดิฉัน ไ, ได้ปฏิบัติดูกายกับจิตก็หลายปีโยเนี่ยเจ้าคะแล้วดูแบบอย่างที่หลวงพ่อเคย เมื่อกี้นี้พูดค่ะท่านเอื่นว่าเหมือนธรรมชาติให้รู้ตามเป็นความเป็นจริงแต่มาสุดท้ายแล้วก็จะหยุดอยู่ตรงที่ว่ารู้รู้กลางๆรู้นิ่งๆเหมือนเห็นนอกแล้วก็เห็นข้างในด้วยเจ้าค่ะแต่นี่อย่าอย่าจงใจก็แล้วกันน ะ, ะถ้าจงใจแล้วมันจะนิ่งๆไปหมดเลยแล้วมันจะนิ่งอยู่งั้นนะกี่วันกี่วันก็นิ่งไปเรื่อยๆนะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านิ่งไปเรื่อยๆเปล่าก็ส่วนมาก จะกลางๆนิ่งๆแต่ก็จะอย่าไปอยู่ตรงนี้อย่าไปรักษาไว้นะเจค่ะให้มันยินดีแล้วรู้ว่ายินดีให้มันยินร้ายแล้วรู้ว่ายินร้ายดีกว่ากลัวจะยินดียินร้ายแล้วรักษาให้นิ่งๆไว้ค่ะพยายามให้มันเคลื่อนไหวก็ปล่อยให้มันนิ่งก็อย่างเมื่อกี้นี่รอใหม่อยู่ก็รู้สึกตื่นเต้นก็รู้วตื่นเต้นอ่าอย่างนั้นอย่างนั้นนะก็ยังมีอะไรบกพร่องที่หลวงพ่อจะเมตตาออกมารู้ข้างนอกเนี่ยให้มากๆ กระทบอารมณ์บ่อยๆขณะที่กระทบอารมณ์เนี่ยอย่าประคองใจไว้ของโยมมันประคองจนชินนะเพราะงั้นเวลามันกระทบมันจะเฉยอย่างเงี้อ ะ, อะไรมากระทบมันก็จะเฉยนึกออกไหมนึกออกเฉยเออตรงนี้ไม่เอานะเอาลูออกมาเลยหลุดออกมาอย่างนี้พอมาอยู่ตรงนี้นะักระทบแล้วมันจะกระเทือนกระเทือนขึ้นมาแล้วค่อยดูเจะเห็นแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยอยู่ตรงนี้ไม่เห็นทุกข์นะไม่ค่อยเห็นไม่เห็นทุกข์อ่ะถ้าไม่เห็นทุกข์จะไม่เห็นธรรม ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ่าข้างหน้านี้ก็ได้สองคนเนี่ยกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเออที่ฉันดูจิตนะคะเห็นจิตมันโดนบีบคั้นแบบทรมานไปบีบมันเพราะพอเห็นว่ามันโดนบีบคั้นเนี่ยไอ้ตัวที่บันเห็นว่ามันมีสองตัวค่ะจิตตัวหนึ่งเนี่ยโปร่งโล่งเบาสบายแต่จิตตัวที่บีบคั้นเนี่ยมันเหมือนกับอยู่คนละที่กันนะคะคนละที่กันถูกแล้ว นั่นตัวโปร่งโล่งมันอยู่ข้างบนใช่ค่ะมันดูลงไปแล้วตัวที่กลางๆนะ้มันถูกบีบคั้นค่ะพอเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยเห็นว่าพอมีเหตุมันก็เกิดพอหมดเหตุมันก็ดับอืแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่คอนโทรลไม่ได้เลยอแล้วก็ไม่รักษาตัวนี้นะตัวบนนี้เราก็ไม่รักษาไว้ค่อยแอบกลับไปดูบ่อยๆว่ามันมันอยู่แต่รู้ว่ามันมันอยู่แล้วก็ เบาสบายรู้ว่าชอบอย่างนี้ค่ะเออถ้ารู้ว่าชอบอย่างใช้ได้ส่วนใหญ่ไปอยู่กับตัวนี้แล้วเสร็จเลยไม่ยอมรู้อย่างอื่นแล้วไม่ยอมรู้ทุกแล้วจะว่างๆค่ะนะแต่พอพอเรามีตัวที่เราเราตัวดูเนี่ยตัวที่สบายเนี่ยพอจิตมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเนี่ยเราจะเห็นชัดเราเอาตัวนี้เป็นตัวดูใช้ได้ไหมคะใช้ได้แต่ไม่รักษาไว้นะค่ะให้มันมีอยู่แต่ไม่รักษามัน มันจะอยู่หรือมันจะไปก็เรื่องของมันแต่เรารู้ไปเรื่อยๆและชำเลืองไปทีไรก็เจอะเอ๋ทุกทีเลยค่ะแต่อย่าไปจ้องอยู่ที่มันคะน่ะห้ามไปจ้องใส่มันนะมันเกิดพร้อมกันได้ใช่ไหมค่ะหลวงพ่อได้เพราะว่าไอ้ตัวที่เป็นทุกข์ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่จิตหรอกจิตคือให้คนรู้ท่างหางค่ะในขณะนั้นจิตไปเห็นสภาวะทั้งหลายที่มันปรุงแต่งที่เป็นตัวทุกข์จิตเป็นกลางรู้อยู่อย่างนั้นนะแต่ว่าอย่ารักษาตัวรู้นะค่ะ คอยแอบมองไว้เรื่อยๆได้นะครับหลวงพ่อทำไมต้องแอบอ่ะกลว่กวหายกวหายไปรู้ทันนะไปรักมันเข้าแล้วยังยังดูถูกต้องแล้วใช่ไหมคะดูไม่ถูกต้องเลยหวงตัวรู้ค่ะให้มันมีอยู่แต่ไม่ต้องไปหวงมันค่ะนะอ่ะส่งมาข้างหน้าข้างหน้าแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชายเสื้อขอบขอแดงๆนั้น คราวที่แล้วค่ะมาขอคําแนะนําหลวงพ่อเรื่องเค ร, รื่องอยู่อะค่ะหลวงพ่อแนะนําว่าฟังซีดีเป็นเครื่องอยู่ได้ทีนี้จะกลับเรียนถามว่ามันใช่หรือยังอะค่ะือมันใช่มันใช่มันตรงกับจริตหรือยังแล้วก็เห็น<ด>จิต<ด>ใจเปลี่ยนแปลงบ้างไหมก็เห็นมากขึ้นค่ะก็ดีแล้วนี่แล้วก็แต่ว่ามันก็ยังห่างหมายถึงว่ามันไม่ได้ทียังไม่รีบร้อนนะ ค่อยๆดูไปแล้วไม่ค่อยถี่เองแต่ถีมากไปมันก็ฟุง้งซ่านอีกมันค่อยๆไหลามาช้าๆเนิบๆงั้นดูง่ายๆดีค่ะยังยังถือว่าดีไปส่งไปข้างหลังข้างหลังกรรมนุสการหลวงพ่อครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อมาปีกว่าก็ปฏิบัติมาเรื่อยๆก็รู้หลงอยู่บ่อยๆเหมือนกัน แต่ทีแรกพอรูัว่วหลงก็ดีใจก็รั่วดีใจมีความสุขก็รั่วมีความสุขแต่พอพักหลังนี่สักสองสเดือนนี่อยู่กับคิดแต่เรื่องงานทําห้รู้สึกจะมีความทุกข์ก็รั่วมีความทุกข์เสร็จแล้วรู้สึกว่าจิตใจมันหนักหนักแน่นๆน่ น, นบางครั้งหัวก็หนักไปด้วยใช่ก็รู้สึกว่าไม่สบายใจอพอไม่สบายใจก็รั่วไม่สบายใจแต่ก็ยังรู้ว่ามีอะไรติดอยู่เงี้ย เป็นการเพ่งหรือเป็นอะไรตัวนี้ดูไม่ออกครับเราห้ามไม่ได้ครับคือตรงที่เราไปคลุกอยู่กับโลกนะไปคิดไปนึกไปปลูกไปแต่งมากเนี่ยมันจะต้องเกิดวิบากบวิบากเนี่ยนะทื่อๆนิ่งๆไม่สดชื่นซึมๆเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเนื่อยอะ อ, อ, อย่างสภาพะพะที่โยมเป็นตอนเนี้ยครับมันเป็นวิบากแล้วนะมันไม่ใช่กิเลสหรอกงั้นดูยังไงก็ไม่หาย ห, ายหรอกเราะฉะนั้นแต่ถ้าเราทําเหตุที่ดีนะอย่างเช่นเราภาวนาไปเรื่อยๆ ไม่ค่อยฟู้สซ่านเลยมันก็มีวิบากที่ดีใจมันก็โปร่งโปร่งขึ้นมาอย่างเราไปคลุกกับโลกมากมันก็มีวิบากไม่ดีใจก็หนักหนั ก, นกแน่นๆขึ้นมาเราเป็นกลางกับมันไห้ยอมรับสภาพไปเพราะเรายังจำเป็นต้องอยู่กับโลกเราไปคลุกกับโลกยังไงก็ต้องรับผลอันนี้เราคลุกกับโลกทั้งวันเนี่ยจะให้ใสปิ้งอยู่ตลอดน้ำเป็นไปไม่ไหวครับผม แต่ที่ดูมาก็เรียบร้อยรู้ ถ, ถูกนะครับรู้ถูกนะแต่ว่ามันเหนื่อยกับโลกมากไปขอบพระคุณครับแต่ว่ายังจําเป็นก็ต้องสู้ไปนะครับผมพอมีเวลามีโอกาสเราก็ปลีกตัวอยู่ของเราภาวนาของเราคนในโลกหลวงพ่อถึงเห็นใจนะอย่างเราต้องทํามาหากินต้องคลุกกับโลกจะให้มันใสปิง้งรู้เนื้อรู้ตัวไปได้ได้ทํายาก ยังบอกคว้าพระเรื่อยๆนะว่าพระมีโอกาสดีแล้วอย่ามัวทะเลทลัยนะบางคนก็เทะเลทลัยเล่นโน้นเล่น น, นี่ไปด้วยก็เรียกว่าชาวบ้านเขาให้โอกาสภาวนาแล้วทิ้งโอกาสนี้โง่ที่สุดเลยไงไปวกใส่พระพร ะ, พระไปทําอะไรกันมา <laughs> คนโน้นกันแล้ น, นลแล้วมาคุณผู้ชายนี่นะแล้วมาเบอร์สามสิบเอ็ดนี้ ถ้าอยากจะกลับเรียนถามหลวงพ่อค่ะถึงแนวทางการปฏิบัติเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยลองปฏิบัติบ้บางแล้วช่วงหลังๆรู้สึกว่ามันมันฟุ้งหรือมันอะไรก็ไม่รู้คคือมันก็พยายามตามดูใจอะไรย่างี้ค่ะแต่รู้สึกว่าแบบมันเยอะเยอะเยะเอะไปหมดเลยแล้วระยะหลังรู้สึกว่ามันอึดอัดมากอะไรยงี้ค่ะพยายามกระดุกกระดิกนะแล้ว ร, รู้ร่างกายบ่อยๆของคุณต้องรู้ร่างกายด้วยดูใจอย่างเดียวไม่เหมาะ อย่างไปเดินจงกรมนะเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอะไรเงี้ยฝึกอย่างนี้บ่อยๆแล้วที่ปฏิบัติมาพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้นะแต่ว่าต้องไปรู้กายเพิ่มขึ้นนะเอากายเป็นเครื่องอยู่ถึงจะเหมาะค่ะแล้วที่อึดอัดใจนี่เราไปคั้นมันหรือเปล่าคะใช่เราพยายามดูมันมากไปหลวงพ่อถึงบอกว่าต้องเอามารู้กายบ้างไปดูใจรวดเดียวแล้วไปจ้องใส่มันก็อึดอัด ขางคุณจริตนิสัยมันต้องดูกายบ้างขอบคุณค่ะคือหนูลองปฏิบัติอะคะ่ะแล้วก็มันเหมือนกับคือมันไม่ค่อยรู้อะคะ่ะไม่รู้แล้วรู้อะไรบ้างวันวันหนึง่งก็ส่วนใหญ่ก็ซึมซึมเผอๆอะคะ่ะพยายามกระตุกกระดิกนะ ง, งานทํางานที่ใช้ร่างกายอ่ะเช่นกวาดบ้านซักผ้ามีเครื่องซักผ้าเราก็เอาเก็บไว้ก่อนลองซักมือบ้างอะไรเงี้ยนะขยับไปพยายามกระดุกกระดิกไปพยายามรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะใจมันซึมไปต้องเอาร่างกายไปช่วยหน่อยนะไปส่งไปข้างหลังแล้วไปคนนู้นนะอกลับนมันนสการหลวงพ่อกันอมาที่วัดหลวงพ่อแล้วก็ สามเดือนแล้วก็ไปลองฝึกปฏิบัติดูครั้งสองเดือนก่อนเคยเรียนถามหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าบังคับตัวมากไปเพราะตอนนั้นดูตัวเองรู้สึกซึมค่ะจากนั้นก็เลยไปเปลี่ยนใหม่รู้สึกว่าดีขึ้นไม่ทราบว่าปฏิบัติได้ถูกต้องบ้างหรือยังคะถูกต้องนะพยายามเคลื่อนไหวไว้แล้วก็รู้สึกไปเรื่อยๆนะตอนนี้ตื่นเต้นค่ะ อ, อดีละที่เห็นแปลคนนู้นเลยเกือบหลังห้องนู้นเลยแล้วเดี๋ยวมาข้างหน้า ใครยกไว้ลืมไปหมดละอ๋ อ, อคนนี้อ๋ อ, อเบอร์สาอกลับธรมสะสการเจ้าข่าวหลวงพ่อเออหนูอยากทราบว่าดวงจิตดวงแรกในโลกในเกิดจากอะไรคะฮะหลวงพ่ อ, พอหมายถงว่าจับไม่ได้ปัจจุบันทําไมมี <c oughs> ดวงจิตมากขึ้น <c oughs> เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะคะ <c oughs> เรารู้ได้ไงว่ามันเพิ่มมาก็ประชากรโลกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วมันอาจจะมาจากหมาก็ได้ งั้นก็แสดงว่าโลกนี้ไม่เคยว่างจากสิ่งมีชีวิตเลยใช่ไหมคะสมัยก่อนเโลกจริงๆคําว่าโลกในศาสนาพุทธนะแปลว่าหมู่สัตว์งั้นโลกไม่ว่างจากหมู่สัตว์เราอย่าไปสนใจเรื่องไกลตัวให้สนใจว่าทํายังไงเราจะไม่ทุกข์สนใจตัวนี้สําคัญกว่าทํายังไงเราจะไม่ทุกข์เราทุกข์เพราะว่าใจเราดิ้นรนใจเราดิ้นรนเพราะใจเรามีความอยาก ใจเรามีความอยากเพราะเรารู้ไม่ทันมันงั้นคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆก็แล้วกันน ะ, ะสัตว์ตัวแรกมันเกิดยังไงก็ช่างมันเถอะหลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อไว้นะแต่หลวงพ่อไม่สอนต่อหรอกขอบคุณค่ะอส่งมาเบอร์สาสิเอ็ดยกมือไว้เอาแวะคนนี้ก่อนช่วยช่วยรับไม่แล้วก็ส่งมาข้างหน้าหน่อยนะส่งภาคพื้นดินนะเอาว่าไป ออพอดีใกล้วันเกิดก็เลยอยากจะกลับขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเป็นของขวัญ น, นะคะวันเกิดเหรอรู้ไหมวันเกิดเพิ่มขึ้นทีไรนะวันตายก็ใกล้เข้ามาแนละ้วเพราะฉะนั้นต้องไม่ประมาทนะค่ะก็จะขอเล่าถึงการปฏิบัติเพื่อขอคําแนะนําจากหลวงพอนะ่อด้วยยาวนะสั้นๆค่ะก็บางคนเล่าตั้งแต่หนึ่งขวบยัง ไ, ไม่ไหวดูจิตตัวเองมาแต่ว่ารู้สึกว่าการรู้ของตัวเองเนี่ย มันจะมีความคิดแล้วก็การประคองอยู่อะค่ะดีนะที่เห็นใช้ได้แล้วรู้ทันตัวเองดีที่สุดให้รู้ไปเรื่อยอวันนึ ง, งมันก็เลิกประคองค่ะแล้วก็ อ, อีกข้อหนึ่งก็คือที่หลวงพ่อบอกว่าต้องดูกายด้วยคราวนี้การดูกายเนี่ยมันจะหมายถึงการทำสมถยานิกอย่างนั้นปะคะอ๋อไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกบางทีเราดูจิตแล้วหมกมุ่นมากไปหมกมุ่นในการดูจิตมากไปถล่ลึกไป เราก็มารู้ร่างกายไว้บ้างจะได้ไม่ดิ่งลึกเข้าไปดูจิตอันเดียวนะรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไวนะ้ใจจะได้รู้สึกได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นถ้าจะดูจิตลูกเดียวนะดูไปเรื่อยๆบางทีถล่มลึกเข้าไปเรื่อยๆเร า, เาต้องมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มเตมิมอีกไหมคะหลวงพอ่อไม่ต้องนะที่ทําอยู่พอใช้ได้แล้วทําบ่อยๆรู้ไปเรื่อยๆ ตอนนี้ไปกดล้วก็รู้ทันใช่ไหมตอนนี้ตื่นเต้นกด เ, เอาไว้รู้ทันอย่างนั้นใช้ได้สรงมาสรงมากราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็เพิ่งมาส่งการบ้านกับหลวงพ่อครั้งแรกนะคะแต่ก่อนก็จะปฏิบัติแบบ เ, เดินจงกรมนั่งสมาธิ แล้วก็รู้สึกตอนที่ปฏิบัติแบบนั้นน่ะนะคะจะปวดหัวมากแทบจะระเบิดเลยแล้วอยู่ดมมีมาวันหนึ่งก็ได้มาฟังซีดีหลวงพ่อะคะ่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อรูแนแรงที่เราปวดหัวนะเพราะว่าเราไปบังคับเราไปเพ่งมันค่ะก็เลยตอนนี้ก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้น Art นะคะเห็นกิเลสไปไหม เห็นบ่อยมากค่ะเห็นทั้งวันถ้าเห็นบ่อยมากนะแสดงว่าพัฒนาจริงค่ะแล้วก็จะรู้แต่รู้สึกว่ายังก็ยังติดเรื่องกดอยู่บ้างค่ะใช่ใช่ค่ะถูกต้องแล้วก็อยากจะถามหลวงพ่อว่าอืยังไม่เข้าใจคําว่าจิตตั้งมั่น่ะค่ะที่ฟังไม่ไม่เป็นไรนะค่ะเดี๋ยววันนึงก็เข้าใจแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็เห็นจิตตั้งมั่นบางคนไม่เคยรู้เลยทั้งๆที่ตั้งมั่นอยู่อ่าค่ะ ไม่จําเป็นนะเดี๋ยวจาเป็นแล้วหลวงพ่อบอกให้เอามาส่งมาเบอร์สามสิบเอ็ดคุณค่ะกับนมัสการค่ะหลวงพ่อคําถามต่อเรื่องจากพี่ปกปกแดงอะนะคะเกี่ยวกับการไปคุกกับทางโลกอะคะ่ะทีนี้ถ้าคุกกับทางโลกเนี่ยเราจะกลายเป็นตัวประหลาดอะไรไปหรือเปล่าคะอะไรนะคื อ, ค อ, อ, อในไปคุกกับโลกในชีวิตประจําวันเนี้ยะคะ่ะแล้ว ถ้าถ้าเราไม่ได้ปเป็นกลุ่มที่ดินทาหรือว่าทําอะไรเขาปฏิตทมแบบความดีอย่างเงี้ยะเราจะกลายเป็นตัวประหลาดไปไหมคะเออเราเป็นตัวประหลาดในหมู่คนชั่วแต่ว่าพอเราทําของเราให้ต่อเนื่องนะคนอื่นเลยจะค่อยค่ยคยเข้าใจเราหลวงพ่อเองนะสมัยก่อนรับราชการใหม่ๆเราเป็นเด็กเนี่ยผู้ใหญ่มันชอบกินเหล้านะเวลาไปสัมมนาเนี่ยนะนั่งกินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วพยายามจะเขี่ยวเข็นให้เรากินเราก็ไม่กินนะ แล้วก็ดูเป็นคนประหลาดไปต่อมาพอเราโตขึ้นมานะใครมานั่งโต๊ะเรานี่ไม่กล้ากินเหล้าเลยคือเราความดีเราก็รักษาไว้นะแต่ว่าไม่ขัดคอเขาหรอกเขาอยากกินก็เรื่องของเขาเรื่องของเขาเองไม่เกี่ยวกับเราเรารักษาความดีของเราไปแล้วนานๆไปมันพิสูจน์ตัวเองได้ก็หลังจากที่ปฏิบตัติดูกายดูจิตก็เห็นเห็นตอนที่เราเราเผลอหรือว่าเราไม่ได้ไม่ตั้งใจเกิดโทสะเนี้ยค่ะ ในความโกรธก็จะหายไปหรือบางทีเราเอานั่งหรือว่าเราเราเผลอหลับไปเงนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกตัวขึ้นมาว่าเอออ๋อตัวนี้ที่ ท, ที่กำลังหลับอยู่ย่าก็ดีนะรู้สึกไปเรื่อยๆใช้ได้ละเห็นไหมไม่มีตัวเรามาส่งมาเบอร์เจ็ดยกมือไว้ยกมากไมไว้เดี๋ยวมันหายไปกลางทางแล้วเดี๋ยวไปเข้าไปมุมน้นนะ มาสมกันบ้านค่ะคราวที่แล้วที่บอกว่าเดินจงกรมตอนกลางคืนแล้วหลวงพ่อให้ไปดูความคิดอะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเริ่มรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น<ม>คือเริ่มรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นแบ็คกราวด์เหมือนที่หลวงพ่อว่าว่าฟังซีดีแต่ก่อนเราคิดว่าเราฟังตลอด<ม>แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเห็นว่าเราไม่ได้ฟังตลอดเราหนีไปคิดอยู่ตลอดเวลาเลยลนั่นแหละเรียกว่าฟังซีดีเป็นฟังเรารู้ทันจิตตัวเองใช้ได้ดี นั่ไปส่งไปในมุมนู้นดูต่อไปอีกไปส่งเข้ามุมไปเลยไะหลังกลุ่มที่นั่งเก้าอี้ยืนขึ้นเลยยืนขึ้นเลยโอ้หลวงพ่อจะได้เห็นกราบนวัตการหลวงพ่อครับเพิ่งมาหาหลวงพ่อครั้งแรกครับก็เพิ่งฝึกแนวนี้มาได้สักพักหนึ่งเองครับก็จะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติครับการปฏิบัติ มันคือการเรียนรู้ตัวเองนะหลวงพ่อพูดทุกวันเลยคอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกไหมใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาเดี๋ยวก็แวบไปเดี๋ยวก็แวบไปดูออกไหมดูออกครับนั่นแหละพอใจมันหนีไปคิดเราก็รู้นะเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดอีกแต่เราไม่ได้ฝึกที่จะห้ามไม่ให้ไปคิดเราฝึกเพื่อว่ามันหนีไปคิดเราก็รู้พอรู้แล้วเราก็ตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเดี๋ยวก็หนีไปคิดใหม่ พอเราเห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกไปนานๆเนี่ยเราจะเกิดปัญญาขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าจิตจะหนีนไปคิดก็ห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมานะสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้รู้สึกแล้ว ร, รักษาไว้ก็ไม่ได้สภาวะทั้งที่หลงไปคิดทั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นเลยสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปหัดดูอย่างนี้เรื่อยๆนะแล้ววันหนึ่งจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับคุณเห็นแล้วยางกิเลสทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับ เห็นไหมความสุขความทุกข์ทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับตรงนี้ก็เห็นมาบ้างอะครับอนั่นแหละคอยฝึกตอนที่ใจไหลไปคิดอ้าใจหนีไปคิดเราก็รู้หนีไปคิดเรารู้แต่อย่าดึงมานะถ้าหนีไปแล้วเราดึงคืนมาเนี่เราจะแน่นในหน้าอกเนี้เราอย่าไปดึงเอาแค่รู้ว่ามันหนีไปส่งแปนข้างหลังข้างหลังครับครบคุณเอาลุกขึ้นยืนกราบรัชกาลหลวงพ่อครับพอดีพาย่ามาครั้งแรกครับพอดีย่าป่วยให้ย่าจะฝากตามครับ คือญาติผมจะเป็นคนที่เครียดครับแล้วว่าเครียดจะนอนไม่หลับท่านก็จะคิดไปว่าเป็นนอนอยู่ในป่าอะไรงี้ครับก็ถึงจะนอนหลับครับช่วยหลวงพ่อท่านก็ได้นี่คิดว่านอนในป่าไม่เห็นเป็นไรเลยครับนะแล้วช่วยหลวงพ่อแนะนําญาติผม ด, ด้วยได้ด้วยได้ไหมครับเคยฟังซีดีหลวงพ่อไหมเพิ่งมาครั้งแรกไม่เคยครับอะไรนะญาติญาติผมไม่เคยนั่งนั่งไม่ต้องยืนนั่งนั่งลงไปพ่งมาครั้งแรกค่ท่าน เพนาะในท่านแต่ก็คือจะไปโลกนอนไม่หลับค่ะท่านทานยา น, นอนหลับก็ไม่ไม่ไม่หลับกันต้องพยายามหลอกตัวเองว่ารับว่าเราไปนอนในป่า อ, อยู่ใต้ต้นไม้อมนั่นแล้วถึงจะหลับกันแล้วเป็นอย่างนี้ทำไมทําไม <10 S 1> ไปอยู่ในป่าใต้ต้นไม้แล้วหลับรู้ไหมเพราะว่าเราสบายใจ งั้นเราจะอยากนอนหลับนะเราก็คิดว่าเรานอนในป่าใต้ต้นไม้นะอยู่ในบ้านเราก็คิดว่าเราอยู่ในดงต้นไม้มีต้นไม้มีดอกไม้นะน้อมใจอย่างนี้ให้มีความสุขเรื่อยๆคเมื่อไร่จิตใจมีความสุขจิตใจสงบนะมันก็หลับง่ายนะที่ฉันไปชอบเครียดพอม่นี่ก็พอเครียดปั๊บก็เส้นเส้นเราหิตตีบเลยค่ะเออเราอย่าไปเครียดมันนะเราชอบต้นไม้เราก็ไปดูต้นไม้นะ หาต้นไม้มาปลูกอะไรเงี้ยแล้วก็นึกถึงนะที่ที่เราสบายใจอ่ะแล้วก็ทำบุญทำทานอะไรไปนะถือศีลไหมนึกถึงทุกวันเลยนะทุกวันเราจะถือศีลเรามีศีลของเราไว้แล้วก็นึกถึงต้นไม้นึกถึงอะไรอย่างมีความสุขนะแล้วก็นึกถึงศีลของเราไปด้วยนะอย่านึกถึงต้นไม้อย่างเดียวนะแค่ก็ใส่บาตรทุกวันเออดีดีนะนึกถึงเราใส่บาตรด้วยนะ นึกถึงเราใส่บาตรนี่คือเราทำทานนึกถึงเราถือศีลนึกไว้นึกทานนึกศีลแล้วก็ถึงต้นไม้ถึงอะไรเวลาตายแล้วเราไปได้ขึ้นสวนรรค์มีต้นไม้อยู่แต่การที่เรานึกว่าเราไปนอนในป่าแล้วอยู่ใต้ต้นไม้นี่ดีใช่ไหมกะ่านก็เป็นวิธีทําให้นอนหลับนะแต่พยายามนึกถึงทานนึกถึงศีลของเราให้มากๆไวจะนึกถึงต้นไม้ก็ไม่เป็นไรแต่อย่าลืมนึกถึงทานกับศีลไว เราใส่บาททุกวันเรานึกเรื่อยไปข้างหลังข้างหลังกราบนมาสการหลวงพ่อคะ่ะก็ปฏิบัติแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาได้พักหนึ่งแต่มีปัญหาก็คือ<ม>เป็นคนที่โทสะจริตเยอะมากมจะแกอยังไงดีคะแก้ไม่ได้หรอกเวลามีความโกรธขึ้นมาก็ให้รู้ทันไปนะนั่งดูไปซิมันจะโกรธได้นานแค่ไหน แต่ว่าถือศีลไว้ก่อนนะถึงโกรธก็ไม่ทําผิดศีลไม่ไปตีไม่ไปฆ่าใครเ่านะอแล้วก็โกรธขึ้นมาแล้วก็คอยรู้ใจที่โกรธไปเรื่อยดูซิเธอจะโกรธได้บ่อยแค่ไหนโกรธได้นานแค่ไหนเวลาโกรธแล้วไม่มีความสุขรู้สึกไหมรู้สึกค่ะนั่นแหละคอยเวลาโกรธขึ้นมาก็ดูเลยใจไม่มีความสุขดูงนี้ไปเรื่อยๆอยีกนานมันก็ขี้เกียจโกรธไปเองไปข้างหลังนะข้างหลังเดี๋ยวหลวงพ่อจะต้องเลิกละเพราะว่า สมาธิแตกกันไปหมดห้องล้วแต่คุณอ้าว่าไปว่าไปเคือยังมีอาการหลงนานอยู่อะค่ะแล้วก็ยังไม่ไม่รู้จะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมอะค่ะกระตุกกดิกไว้เสื่อนไหวนะใช้ร่างกายะใช้ร่างกายนะใช้ร่างกายไปช่วยเพราะใจเราฟุ้งเยอะเอาร่างกายไปช่วยค่ะเราขออีกนิดนึงนะคะเอาว่าไปพอดีพาคุณแม่มาค่ะคุณแม่เพิ่งเริ่มฟังซีดีอะค่ะอยากจะให้ คุณไหนคุณแม่ยกมือซิอ๋อคุณแม่ยังสาวฟังซีดีฟังซีดีแล้วดูจิตไปนะจะเห็นว่าจิตใจเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันรู้สึกไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยดูไปเรื่อยตามดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเรื่อยๆนะส่งไปข้างหลังคุณผู้ชายนั่นคำถามต่อเนื่องสองของพี่คุณพี่ปกแดงครับพี่ปกแดงนี่ก็ด้างดัง คืออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดความวิบัติขึ้นเราจะเบื่อเบื่อซึมๆอึดอัดอยู่ข้างในเรายังสามารถดูจิตของเราได้เหมือนเดิมหรือเปล่าครับดูได้ว่าเราเบื่อแล้วเราโมโหแล้วเราทําได้เราก็เห็นไปจิตมันป้อแป้หมดเรี่ยวหมดแรงนะครับเห็นไปจิตเราไม่มีแรงจะดูละจิตเราไม่เป็นกลางเราไม่ชอบเลยเราอยากให้มีแรงอะไรเงี้ยเนี่ยเรารู้ทันจิตของเราไปนะเพรางั้นในขณะที่ป้อแป้หมดเรี่ยวหมดแรงนะรู้ว่าหมดเรี่ยวหมดแรง ในขณะที่หมดเรี่ยวหมดแรงเราไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแค่นี้ก็ดูได้ละเอามาส่งมาข้างหน้าคุณผู้หญิงข้างหน้าเนี้ยมีอยู่คนนะครับในมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเพิ่งจะมาครั้งแรกนะคะแล้วก็ไม่ทราบว่าจะปฏิบัติแนวทางไหนที่จะถูกจริตของโยมได้คะ่ะขอคำชี้แนะด้ว ย, วยค่ ะ, <primeiro S 2> ค, ะคือขณะที่เรายังคลุกคีอยู่กับทางโลกนะคะ ก็จะทำยังไงให้เรารู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะชนะกิเลสที่จะเข้ามาได้อะค่ะอย่าไปคิดชนะกิเลสนะมีแต่จะแพ้มันให้แค่รู้ว่ามีกิเลสก็ดีถมไปแล้วลวะเวลากิเลสใดๆเกิดขึ้นเราก็รู้ว่ามีกิเลสละกิเลสหายไปรู้ว่ากิเลสหายไปถึงวันหนึ่งเรามีปัญญาขึ้นมาเราก็รู้ว่ากิเลสเกิดแล้วก็ดับกิเลสเป็นของบังคับไม่ได้ ไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นเราดูให้เห็นไปว่าทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับบังคับก็ไม่ได้นะดูอย่างนี้เรื่อยๆแล้วจิตมันจะพัฒนาของมันเองค่ <c ười> ะ, ะเราจะปบัติยังไงให้ก้าวหน้ามากขึ้นไปอีกอยากก้าวหน้าสิเอาปัจจุบันไว้ไม่ต้องก้าวไปไหนนะ <c ười> อะไรเกิดขึ้นในใจเราในปัจจุบันเราค่อยรู้ไปเรื่อยๆเ <c ười> ดี๋ยวมันก้าวเองแหละ <c ười> ถ้าอยากก้าวหน้าไม่ก้าวหรอก <c ười> ต้องรู้ปัจจุบันถึงจะก้าวหน้า <c ười> เอาเชิญกลับบ้าน <c ười> หลวงพ่อใจแข็งแล้วไม่ดูแล้ว